Book 2 5ห้าสห้านกูร์ตฟรนกรตฟรการทำงานเลเอฟซอนคุณทำอาชีพอะไรคะ สิดวิสนหาหัตุวิลายจระสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะซิชฮ า, ารุส์อิสนหาหัตเจวราจดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงสุดสมิดิสตรา นกอิตรนกสลอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญบมส์เนซมตกชตเส์เซมตุกชตกแต่ภาษีสูงมากาายินอ และค่าประกันสุขภาพก็สูงหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตนัม หนูอยากเป็นวิศวะกรซรซหนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัยซตีชซีต ด, ดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหัด ซซต่างรซ่ตรดิฉ ma ันมีรายได้ไม่มากเซควาซเลจูรบับซควาซเลจูรบับดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศปรากติกรเอจิบุมชิสาหปรากติกรเอจิบุมชิสาห นี่คือหัวหน้าของดิฉันมิร์จีอชฮัดจิตมร์จีอชฮดตดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีออฟสเอดอเอร์ซิอออฟสอดออร์ซิอกเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอชวมเรโนชาพมดซดก ฉันจะว่าฉันรียนรู้ฉันจะเด็กอ่ดิฉันกำลังมองหางานเซอฟชันซิเชอคุ่อฟชันซิเชอคุดฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วอิเชอันจิสมร์อิเชสคุ่งอฟชั ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากออฟเซนโช่ไมการาลกุมยิสซร์บดดออฟเซนโช่ไมการาลกุมยิสซร์บดดการาุณ า, าดดไปที่ www. b o o k 2 de